ภาคแรกนี่ก็เรียกว่าดุเด็ดเผ็ดมันเท้าหาันแต่เดี๋ยวนี้ก็อายุมากขึ้นก็ความ <c oughs> ชลาภาพมาเยี่ยมปีนี้เท่าไรแปดสิบสองแล้วเนาะเอาไปสิบห้าแล้วดิเออดสบสองแปสบห้าแล้วพ่อกรมบอกบวชตั้งแต่อายุหกสิ้ตอนนี้8ปดสิบห้าก็ยี่ิบห้าปีแล้วน ะ, วนะวนะะห้าสิบเจ็นเนะ้ะ อี่สิบหกี่สิบ็ดี่บแปดปีแล้วก็ในสมัยนั้นมาพาอนุพ่อคำเขียนอนุพ่อครทรพาไปปิดอรมณ์ที่บ้านกุดน้ำใสนู่นจตุลัพบหลวงพ่อกลุมเข้าหลวงพ่อกลมครั้งแรกที่นู่นแหละก็ปีเท่าไหร่ไม่จาไม่ได้แล้วนะก็นานพอสมควรแล้วแล้วก็หา พระผู้เทา่าพระหลวงพอ่อหลวงตาอย่างนี้ยากเพราะมีความตั้งใจความจริงใจท่านเล่าบอกว่าสมัยก่อนไปเก็บอารมณ์ปฏิบัติมาเป็นปีฝ่าแล้วบอกว่ายังไม่เข้าใจรูปนามวันหนึ่งก็เข้าไปลาหลวงพ่อเทียนท่านเล่าให้ฟังโอ้ผมปฏิบัติมาปีกว่าเนอะผมยังไม่รู้รูปนามผมผมไม่มีวาสนาบรารมีแหละ ไปบอกว่าหลวงพ่อผมไม่มีวาสนาบรารมีที่จะรู้ทำอะ่ะผมกาคงจะไปตามทางของผมนะหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าหลวงพ่อกรมวาสนาบรารมีมนันคืออะไรผมก็อบอกวาสนาบรารมีคือสิ่งที่สั่งสมมาอย่างนั้นหลวงพ่อบอกไม่ใช่วาสนาบรารมีคือความขยันนั่นแหละคนไหนขยันคนนั้นแบบมีวาสนาบรารมีว่าไงหลวงพ่อกมก็เลยเอาใหญ่เลยขยันเลยที่ทำอย่างเดียวทําอยู่ อะไรสี่วันเข้าใจรูปนามอ่อทางั้นมาก็เรียกว่าทำมาตลอดเลยเนี่เห็นไหมหลวงพ่อบอกว่าวัฒนาบรารมีคือความขยันคนไหนขยันคนนั้นมีวาศนบรารมีแค่อารมณ์ให้แล้วก็มาทำเก็บอารมณ์อยู่ส4บสี่วันนะนั้นจะเห็นว่าการที่ครูบาอาจารย์ให้อุบายทำง่ายๆที่ทำได้ชัดๆเนี่ยหายาก อย่าพ่อเทียนท่านให้นะ่ะท่านให้อารมณ์แล้วก็เราไปทำเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็มักจะได้นะดังนั้นเองเราก็ถึงแม้ว่าจะไม่ทันของท่านแต่เราก็ได้ฟังเทปฟังซีดีของท่านทุกวันอนะมาเอามาเปิดในช่วงที่ทุกวันนะที่ท่านพูดตอนฉันวัาสน้ำในสมัยที่มาอยู่วาสานน้ำมาไปอัอดเอาไว้เนี่ยเวลาในช่วงขณะฉัน นะช่วงที่เราฉันนี่ท่านก็จะไม่ฉันด้วยท่านก็จะพูดให้ฟังจนพวกเราฉันเสร็จแล้วนะ่ะท่านึงก็จะจบนะ่ะท่านไปนู่นไปนี่ไม่มีเวลาก็รีบพูดให้ฟังก็พูดเรื่องนี่แหละเรื่องความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวว่าทําอย่างไรให้มันชัดเจนให้มันละเอียดให้มันเข้าใจนะ่ะทำด้วยความเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องหวังทําไปเรื่อยๆ ทำให้ความเข้าใจขยันทำทาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งว่ามันเป็นของมันเองคือคนสมัยก่อนนี่เขามีศรัทธาถ้าบอกให้ทาก็คือทาไม่ต้องไปหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายอลไรเนีนก็ทาไปเดี๋ยวมันไปทะลุของมันเองอ่าเาเรียกว่าทาให้มันอ่าถูกต้องให้กายกับใจอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วมันจะเป็นของมันเอง แต่ถ้าหากว่าทําไปแล้วกายกับใจไม่อยู่ด้วยกันคิดอโนต์คิดอันนี้หวังอโน์หวั ง, อ, นนวงอันนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยทําเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เพราะทำแล้วหวังหวังว่าจะรู้นั้นรู้นี้หวังว่าจะได้อันนั้นอันนี้อันนี้ทําเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ทำด้วยความไม่หวังนะทําไปให้ให้รู้ตัวไปเรื่อยๆทําไปโดยไม่หวังให้รู้ตัวไปเรื่อยๆออันนั้นจะเป็นไปเองนะอันนี้ก็าจะทำให้มันถูกเหตุท่านบอกว่าเหมือนเราปลูกต้นไม้ เราไม่ไปหวังเราว่ามันจะต้องเป็นผลเมื่อไหร่ให้น้ำใส่ปุ๋ยพรดินมันไปเรื่อยๆอรักษายาวัชพืชรักษามแมลงรักษาสิ่งที่ไปให้ทำให้ต้นไม้มันเสียหายก็มีหน้าที่แค่นั้นแหละส่วนต้นไม้มันจะออกดอกออกผลเมื่อไหร่ปเป็นเรื่องของมันละไม่ใช่เรื่องของเรานี่นเรื่องการปฏิบัติเหมือนกันหน้าที่ของเรารักษาความเพียรให้ต่อเนื่องอกาหนดรู้ ในการไปการมาในการเคลื่อนการไหวในทุกเริบทเราใจใส่แค่นี้แหละไอ้ส่วนมันจะเป็นข้องมันเมื่อไหร่เนี่ยมักเป็นผลเมื่อไหร่เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราส่วนใหญ่มันอดที่จะอยากที่จะหวังไม่ได้ว่าไอ้มันจะรู้วันไหนมันจะเห็นวันไหนไปฟังคนนน้นก็ว่าเห็นอย่างนี้ไปฟังคนนี้ก็ว่าเห็นอย่างนั้นเราพอดอยากจะเห็นหวังตรงนี้คือข้อเสียหายของเรา นะแต่พอเรามาได้ฟังการตอกย้ำของหลวงพ่อบ่อยๆว่าเออทำนะทไปเฉยๆไม่ต้องไปอยากรู้เดี๋ยวมันเป็นไปเองถ้าเราทำเหตุมันถูกแล้วผลมันเป็นไปเองเนะี่ยเหมือนกับเรานึ่งข้าวเนี่ยเรามีหน้าที่ตั้งหม้อติดไฟรักษาไฟให้มันต่อเนื่องอทำให้มันถูกต้องหลักการหลักการนั้น เดี๋ยวข้าวมันสุกของมันเองเราไม่ต้องไปทําอะไรเนี่ยเราก็เพียงแค่ติดไฟตั้งน้ํามันสุกของมันเองคือเหมือนกับไก่มันฟักไข่เนี่ยมันฟักทุกวันทุกวันอ่ะเดี๋ยวมันก็ออกข้ามันเองโดยที่ไม่ต้องไปแกะไปเบาะไปเคาะไปต่อยมันอ่ะเดี๋ยวมันออกข้ามันเองเหมือนกันเมื่อลูปกับน้ํามาอยู่ด้วยกันกายกับใจมาออยู่ด้วยกันความรู้สึกกับความรู้ตัวมาอยู่ด้วยกันเนี่ย มันก็เดี๋ยวมันก็เกิดสภาวะรู้ที่มันเป็นไปเองนะอาง น, นี้มั น, เ ป, นเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องหวังมันเป็นธรรมชาติที่เป็นไปเองนะอันนั้นเองวันนี้ก็รู้สึกว่าเราได้ข้อคิดดีๆนะจากพระอาวุโสเดี๋ยวนี้ก็หายยากนะพระหลวงปู่หลวงตาที่จะเอาจริงเอาจังนล้มาพูดทํำให้ฟังไดนะ้ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างอื่นแหะนะนะเป็นอย่างอื่นเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะไปบอกไปบังคับได้แล้วก็มีหน้าที่ในการาชี้ทางออกบอกทางไปเท่านั้นแหละนะนั้นวันนี้ก็รู้สึกจัดเป็นกลุ่มการเข้าที่เข้าทางแล้วนะเ<ม>ยาวชนก็แก้ไขปัญหาได้บังแล้วแล้วก็อุบาสกกับพระของเราซึ่งพระจันทร์ชูก็ดูแลอยู่ก็คงจะเข้าที่เข้าทางแล้ว แล้วก็ทั้งฝ่ายอุบาสิกากลุ่มอาวุโสพระอาจารย์ไมพาธรรมในานี่ก็ก็เข้าที่เข้าทางสำหรับอุบาสิกาอีกกลุ่มหนึ่งไปโน่นไปท้ายสวนท้ายวัดก็ตั้งใจถึงห้าโมงเย็นเลยนะช่วงที่มันจะได้อารมณ์คือช่วงสี่โมงถึงห้าโมงเย็นเพราะฉะนั้นอามายังไม่ปล่อยให้มาว่าเดินจงกรมก็วันต่อไปคงไม่ต้องเดินจงกรมหมู่ละทาถึงหโมงเย็นเลย เลิกมาก็อาบน้ำล้างหน้ามารับน้าป่าหน้าเลยเพราะว่าในช่วงเย็นเนี่ยจากช่วงสี่โมงถึงห้าโมงมันจะได้อารมณ์เพราะอะไรเพราะแดดลม่มลมตกเวทนามันเบาบางแล้วมันจะได้อารมณ์ถ้าเราไปรีบเลิกช่วงนั้นนะมันก็จะขาดโอกาสสำคัญไปนะเพราะนั้นก็พี่เลี้ยงแต่ละท่านก็จะพาทำถึงห้าโมงเลยแ่ะพวกนี้แต่ว่า ส่วนที่จะยักเยือ้อเปลี่ยนแปลงอย่างไรขึ้นอยู่กับวิธีการของพี่เลี้ยงแหละนะธรรมาก็พยายามกระจายให้อยู่กับที่นั่งกับที่เป็นส่วนใหญ่ถ้าจะลุกจะเดินก็ให้เดินอยู่กับที่ไม่ต้องย้ายไปย้ายมาเพราะย้ายไปย้ายมาบ่อยๆเนี่ยมันสมาธิมันไปมันไม่ตั้งมั่นนะสัญญาสติสัญญ า, ญญามันไม่ลงลึกย้ายไปย้ายมาต้องอยู่กับที่ทนอยู่กับพี่มันทุกอย่างก็ดูมันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องย้ายมัน แต่นี่เราทนทุกข์ไม่ได้เพราะอะไรนี่อะไรก็ลุกหนีอะไรนี่อะไรก็เดินเที่ยวไปทางอื่นมันก็มันก็ไม่ตั้งมัน่นสมาธิไม่ตั้งมัน่นสติสัมญาไม่ลงลากได้มันก็ไม่ได้อารมณ์3วันหวัน7็ดวันมันก็ไม่ได้อารมณ์เพราะสติมันไม่มีโอกาสตั้งตัวนะเพราะฉะนั้นเรามาทํานี่ไม่ใช่ทําเพื่อสุขนะไม่ใช่มาสแสวงสุขนะแต่มารู้จักทุกมาศึกษาทุกขมาเข้าใจทุกทําให้มันทุกข์อ่ะ อยู่ดีๆไีไว่าดีทำให้มันทุกข์เลยหละข้าวนะถ้ามันไม่ร้อนนะมันไม่สุกน ะ, ะจะกินข้าวนิ่มๆอ่อนๆเนี่ยลองเอาไปโดยที่ไม่ตัง้งตั้งไฟโดยที่จะได้กินข้าวอ่อนๆนิ่มๆเหมือนนี่ไม่ได้กินเราก็นะถ้ากลัวทุกข์อยู่นั่งหน่อยก็อยากไปเดินเพราะมันทุกข์เดินหน่อยก็อยากจะนั่งเพราะมันทุกข์ทุกข์ก็ดูไปอยู่ตรงนั้นเปลี่ยนมาอยู่ตรงนั้นดูอยู่ตรงนั้นเดินแลเดินแล้วมันทุกข์เดินดูอยู่ตรงนั้นอมันก็จะต้องเข้าใจทุกข์ มานี่เรามาศึกษาทุกมาเห็นทุกมาแก้ทุกมาเข้าใจทุกนะไม่ใช่มาหนีทุกมาหลบทุกม า, าดับทุกนะมาทุกต้องกําหนดรู้ยังไงที่เราได้ฝึกฝนได้ศึกษาจากสูตรทุกกําหนดรู้สมุทัยต้องละเวลาเรานั่งเนี่ยมันอยากจะลุกก็ละความอยากนั้นไม่ต้องลุกมันนั่งแล้วมันอยากจะลุกไปเดินก็ละความอยากที่จะเดินไม่ต้องไปเดินมันเนี่ย สมุทัยต้องล ะ, ละละตรงนั้นละความอยากไม่ใช่ไปละความทุกข์ทุกต้องกำหนดรู้ทุกต้องศึกษาแต่ไปละความอยากนะมันนั่งไปหน่อยหนะึ่งก็ไม่อยากจะไปที่นู้นนั่งไปหนึ่งอยากจะไปที่อยากไปทําวันนั้นอันนี้ไปละความอยากตรงนั้นแต่ความทุกข์ท่านให้ศึกษาศึกษาว่าถ้าทนไม่ได้จริงๆก็ทุกสมุทัยที่เกิดจากกายต้องแก้ไขเอาบําบัดเอาแต่ทุกความอยากที่เกิดจากจิตนั้นให้ละ แต่สมุทัยความทุกข์ที่เกิดจากกายได้ให้บาบัดนะแต่บาบัดไม่จำเป็นจะต้องอทำมากแแค่ขยับนิดเดียวมันก็หายแล้วทุกทางกายเนีย่ยไม่จำเป็นจะต้องไปขยกเขยา่าหรือไปยกัก ย, ย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายตามความอยากทางในร่างกายเนีย่ยแค่ว่าพอมปวดนี่ขยับนิดเดียวมันก็หายแล้วเนีย่ยไม่ต้องไปอะไรมากอันนี้เราอดทนไม่ได้นั่งหน่อยก็อยากจะลุกลุกหน่อยก็อยากจะเดินเดินหน่อยก็อยากจะนั่ง มันก็เลยไปตามความอยากหมดอ่าความจริงร่างกายเขาไม่ได้ทุกข์เท่าไหร่หรอกนะแต่ความอยากข้างในมันเรามันบีบก็ทำให้เราต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำให้ไม่เห็นทุกข์อย่างชัดเจนแต่เวลาเราสวดอิมัสเกวรสะทุขคัณทสสะอันตักริยาปัญญาเยทาติทำชนัยการทำที่สุดแห่งกองทุกนี้จะพึงปรากฏชัด มันจะปรากฏชัดได้ไงเราไม่เห็นทุกชัดๆอะ่ะเรางัวแต่ไปหนีมันอย่างเดียวก็เห็นมันไม่ชัดดิดูมันให้ชัดแหละนะนั่งดูว่ามันปวดมันปวดยังไงดูให้มันชัดจนกระทั่งร่างกายทนไม่ไหวก็ค่อยบำบัดนิดเดียวเท่านั้นแหละไม่ต้องมากนะบำบัดไปละไปทุกก็จะหายนะดังนั้นก็สังเกตดูนะถ้าหาก เก็บปฏิบัติต่อเนื่องกันตั้งแต่บ่ายโมงถ้าถึงสี่โมงนะบ่ายโมงก็2องสาสแค่สชั่วโมงมันไม่ทันได้ลงแต่ถ้าบ่ายโมงไปถึงบ่ายหโมงเนี่ยมัน4ี่ชั่วโมงมันได้ลงช่วงละสองชั่วโมงช่วงบ่ายต้นสองชั่วโมงช่วงบ่ายแก่สองชั่วโมงมันได้ลงละนะช่วงเช้าต่อเนื่องสักสาชั่วโมงช่วงบ่ายสัก4ี่ชั่วโมงเป็นเดชั่วโมงแล้วก็ในกิจกรรมช่วงเช้าในศาลา2ชั่วโมงช่วงเย็นสองชั่วโมง ก็เป็น1 0บชั่วโมงแต่ความจริงมันน่าจะต้องได้12บชั่วโมงต่อ ว, วันนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเองอันนี้ในช่วงกิจกรรมนะแต่อีกสิชั่วโมงนะเป็นช่วงนอกกิจกรรมก็ไปทําอีกคือหมายความว่าต้องไปกําหนดรู้ต้องไปติดตามการรู้ในเรียบทเช่นลูกไปนี้จะต้องไปจัดแจงแต่งที่หลับพี่นอนก็ให้รู้สึกตัวจะไปล้างหน้าเข้าห้องน้ําก็ให้รู้สึกตัวทุกขณะ และเรื่องการพูดคุยกันนี่เป็นเรื่องที่สแสลงพอสมควรถ้าคุนในละได้เลิกได้หรือว่าระมัดระวังได้ก็จะดีมากให้เท่าที่จําเป็นและไน้อยหน่อยนะทํามาไปจัดดิทรีทหรือจัดโอโรมในที่ต่างๆบอกว่าถ้าอยากจะพูดสิบคำนะให้พูดสักสามคำก็พอถ้าอยากจะพูดสักห้าคำก็ให้พูดสักคำหนึ่งก็พอเอาอย่างนั้นพ่อเราพูดมาตลอดชีวิตแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ออกจากนี้ไปก็พูดอยู่นั่นแหละ แต่ในช่วงที่เข้าคอสปฏิบัติเนี่ยให้พูดน้อยที่สุดแล้วเราจะรู้ไวเพราะการพูดนั้นคือการรั่วไหลของสติรั่วไหลของสมาธิรั่วไหลของปัญญาเราต้องสกัดกั้นทุกุติทิทางที่จะมาให้มันรั่วไหลนะนั้นเองก็ช่วงนี้อากาศก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆในช่วงบ่ายก็ร่มน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเราเคลื่อนที่บ่อยเวทนามันก็จะแรงมันก็จะร้อน เพราะฉะนั้นพยายามอย่าเคลื่อนที่บ่อยนั่งตรงไหนก็เอาตรงนั้นเนะี่ยแต่ว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆหุเข่าบ้างพับเพียบบ้างขาต่หมาดบ้างเหยียดขาบ้างยืนบ้างแต่ถ้าจะเดินก็เดินเก้าหน้าทีร้อยหลังทีก็พอแล้วไม่ต้องไปโดินส้ายี่สิที่ไม่พอแต่ว่าคนทองของเราในด้านหลังนี่ดีมากนะป่าไมา้ครึ้มถ้าหากไปตกแต่งทางใต้เสนหน่อยนี่ก็จะดีมากเลยทําใต้มันลกเกินไปแต่ว่า ถามพ่อใหญ่ครูหมายบอกเออท่านใหญ่คูไ ม, ไม่เตรียมที่ให้ดีล่ะพี่นึกว่าคนจะไม่มากขนาดานี้แล้วไม่ได้เตรียมเหมือนกันเอ้อคิดคาดแล้วนะสนามวัดน้องแก่เนี่ยเยอะทุกปีแห ล, นะละนั่นนั้นก็ในช่วงพรุ่งนี้เนะโดยจูกลมตอนเย็นโดยจูกลมหมู่ตอนเย็นไม่ต้องมีละตัดไปเลยนั่งทีเดียวรวดเดียวบ่ายโมงยันห้าโมงเย็นแหละนะแต่ถ้าหากว่ากลุ่มไหนนั่งไม่ถึงก็มาจะมาพานั่งนะบางทีพี่เลี้ยงก็เหนื่อยก็อาจจะเอา ไปกันก่อนก็นแล้วกันได้มาเรามาสนุกเราปฏิบัติยิ่งได้อารมณ์ยิ่งสนุกบางทีพาโยมเดินปฏิบัติจนมึดเลยบางทีมาทีเดียวอาบน้ําพากันพักผ่อนเลยนะไม่ต้องทําวัดกันเอาขนาดนั้นนะบางที่พอสาระที่คืออยู่ที่การปฏิบัติอเรื่องทําวัดสวดมนต์เรื่องรับน้นําปานาเป็นเรื่องประกอบไม่ใช่เรื่องหลักแต่เรื่องประหลักคืออโลกินเราอยู่มาตลอดชีวิตแล้วนะ่ยอย่าไปกลัวอดกลัวตายทําไมหลับก็หลับมาตลอดชีวิตแล้ว แต่ลรามาที่ที่แค่เจ็ดวันก็ผ่อนผ่อนไปบ้างนะเพราะเดี๋ยวนี้ญาติโยมที่มาปฏิบัติทางวิธีการของพระเถียนญาติโยมเรียนรู้เยอะก่พระนะแต่พระนี่น่าสงสารท่านนะน่าสงสารจริงๆเพราะอะไรพระงานเยอะจริงๆนะงานบุญงานบวชงานสวดงานเทศสารพัดงานสร้างงานแต่งงานเรียนงานบริหารบริการงานสงเคราะห์นี่เยอะหมดเสร็จแล้วพระก็เหนื่อยนะ ไม่ไหวไม่มีเวลาปฏิบัติแต่คนจริงงานกรรมาฐานเป็นงานของพระมาทุกวันนี่มาเลยไม่รับเลยงานเหล่านั้นรับงานอย่างเรียวงานรับที่ไหนก็ได้ที่ภาวนาเอามาแต่ไปแตงานนั้นจะนิมนต์ไปบุญไปบวชไปสวดไปฉันมาไม่ไปให้เป็นงานภาวนาอย่างเดียวไปไม่เสียเวลามาขึ้นข้องชีวิตแล้วไอ ง, งานเหล่า น, นั้นอ่ะงานกิจการงานคณะสงฆ์เจ้าอาวาสพระครูพระคระคูเจ้าคุณอะไรก็ไม่เอาเอาแต่พระเป็นพระวิปัสสนา พอแล้วนะเพราะอะไรเพราะมันจะได้ทําหน้าที่ของสาวกพุทธเจ้าเต็มที่นะถ้าช่วงไหนไม่มีคอร์สภาวนาเราภาวนาของเราเองอ่าช่วงไหนแย่ช่วยญาโยมเราไปช่วยญาโยมช่วงไหนไม่มีช่วยญาโยมเรานั่งภาวนาของเราเองแค่นี้พอชีวิตไม่อยู่ไม่กี่วันนะ เพราะว่าโลกมันจะระเบิดปีหน้าเนี่ยก็ทําไว้ก่อนก็แล้วกันเผื่อว่านะมันไม่มาระเบิดก็แล้วไปเราก็จะอยู่สบายต่อไปนะแต่ถ้ามันระเบิดเราก็ไม่ไม่เสียใจไม่ห่วงอะไรอพร้อมที่จะตายตลอดฟุ่งนี้มาลืนนี้ก็พร้อมนะอมันต้องเตรียมขนาดนั้นนะในฐานะเป็นชาวพุทธในโลกมันจะเป็นอย่างนี้ตามที่เขาว่านี่อยไปวิตอกังวลเด้อเขาบอกว่ามันจะเกิดเออเกิดก็ดีมันจะได้ตายไวๆนะมันจะสบายไวๆหน่อย แต่อยไปฆ่า ต, ตัวตายน้ำบาปนะแต่คนตายแล้วเหตุสุดวิสัยก็พร้อมนะแต่เราก็ป้องกันตัวเองนะตายแบบไม่ประมาทเหมือนกันถ้าจะตายทีก็ต้องได้ได้ตั้งสติก็หน่อยละนะดังนั้นที่เขาปลุกระดมว่าโลกจะเป็นอย่างนั้นโลกจะเป็นนี้บางวัดก็โอ้โหบอกว่าต้องมาวัดที่นี่นะมาทุมวัดมาทํามุลวัดที่นี่นะมันจะรอดแต่ไปทางอื่นไม่รอดนะบางวัดก็ฉวยโอกาสอ่าตีปาหน้าใส่ให้คนเขาหาสํานักตัวเอง อันนี้เขาเรียกวพวกโชยโอกาสพวกเห็นแก่ตัวก็มีเหมือนกันนะดังนั้นเราอย่าไปตกเป็นเหยื่อล่อเป็นเหยื่อโฆษณาชนเชื่อนะเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจา้าบอกว่าเอออะไรก็เกิดฉันก็พร้อมนั่นแหละฉันไม่ประมาทฉันภาวนาวอยู่แล้วแต่รอเวลาตายวันนี้พวกนี้ฉันก็ไม่กลัวพูดอย่างนี้ไปเลยนะไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรกับเขาเดี๋ยวอันนั้นแั่นดินยักไหวที่นี่ภูเขาไฟจะระเบิดที่นั่น น้ำอย่าท่วมที่นี่เออเชิญมันมาบอกยันเลยนะอย่าไปกลัวแต่ว่าเราต้องไม่ประมาทนะภาวนาตลอดเวลาอ่าว่างเ ม, มื่อไหร่ภาวนาเมื่อไหร่ภาวนามนั้ น, า น, า น, น, นแล้วเราจะกลัวอะไรอะ่ะถ้าเกิดว่าเอามันเกิดวิบัติวินาศจริงๆรงิตายแล้วถ้าเราไม่ประมาทเราก็ไปเกิดที่ดีแต่ถ้ามันหมดกิเลสเราก็ไม่ต้องไปเกิดอีกแต่ถ้าไม่หมดกิเลสล้วก็ไปเกิดในทางที่ดีแน่นอนอนะ่ะคนภาวนามา ท่ามาในรูปนี้นะไม่ต้องกลัวดังนั้นเองมาว่าเราคงจะต้องเตรียมตัวม่เองไม่ประมาทเลยนะนะไม่ว่าอยู่ที่ไหน อ, อยู่ที่อเมริกากลับไปที่นั่นก็งานอย่างนี้แหละตลอดคร <c oughs> าวที่แล้วสามเดือนเนอะรไป7งานกลับมานี่ตั้งแต่ลงเครื่องถึงขึ้นเครื่องงานตลอดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเองมันสนุกกับงานภาวนาไม่ว่าอยู่ในส่วนไหน พอเราอย่างอื่นเราไม่เอาแล้วงานบุญงานบวชงานสวดงานฉันงานก่อสร้างงานเทศงานสอนไม่เอาแต่เอางานอย่างนี้แหละงานภาวนาเอาเพราะอันนี้มันคุ้มค่าวกว่าพเพราะหลวงพ่อเทียนบอกว่ายังไงว่าอยู่อย่างต่ํากินอย่างต่าแต่มุ่งกระทาอย่างสูงนี่อยู่อย่างต่ากินอย่างต่าไม่ข้ออยู่กับดินกับทรายนอนที่ไหนก็ได้กินอย่างต่ากินอะไรก็ได้แต่มุ่งกระทาอย่างสูงคือมุ่งกระทมามรรคผลนิพพานให้แจ้ง นี่มุ่งกระทาอย่างสูงคือมุ่งอย่างนี้มุ่งกระทาอย่างสูงมือจิตมุ่งไปเป็นมีคนมียศมีศักดิ์มีหลักมีฐานมาีบริวารมีตําแหน่งไม่ใช่เงี้ย น, นะมุ่งกระทาอย่างสูงคือมุ่งให้ถึงมรรคผลนิพพานเรียกว่ามุ่งกระทาอย่างสูงนะทั้ง น, นั้นเองครูบาอาจารย์ของเราก็ร่วมรับดับหายปฏิญาองค์สององค์ทํางานกันหนักในหลวงพ่อคําเขียนนั้นก็ผ่านวิกิการไว้อย่าง อาวุฒิวเหมือนกันท่านก็ยังไม่ได้หยุดรักพักผ่อนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะแล้วก็ต้องทํากันต่อไปแต่มาก็เรียกว่าไม่ประมาทเหมือนกันนะไม่ประมาทพยายามอาเรียกว่าเรื่องการอยู่การกินก็พยายามอันไหนที่มันจะเป็นเรื่องแสลงโลกเดี๋ยวนี้นะอะไรที่มันมันเนี่ยจะไปฉันเยอะนะยังมีเจ้าภาพทําปาตั้งโกถวารเนี่ยมาไม่สบายใจด้วยนะ พ่ออะไรพราะมันมันเกินไปแป้งซับน้ํามันน่ะแล้วมันเยอะเกินไปทำไงมันเยอะเกินไปมันทาให้ไปเส้นเลือดอุดตันไขมันไข่ข้อแล้วก็เป็นความดันเบาหวานขึ้นมาเรื่องหวานเรื่องมันนี่นะลดได้ลดทันทีเลยนะเพราะว่าตัวนี้คือตัวก่อเกิดโรคเวน้นหวานเว้นมันได้เนี่ยเว้นโรคได้ถึง80ซนะเว้นหวานเว้นมันได้เว้นโรคได้ถึง 80% เอร์ซเพราะฉะนั้นบ้านเราทำเนียมบ้านเรากินน้ําพริกกบผักสดนี่แหละ ดีที่สุดแล้วนะอย่างมากก็มีแค่ปลาเนื้อทั้งหลายตัดทิ้งไปเลยถ้าตัดได้นะดังนั้นก็ร่างกายเราก็าไม่ใช่ว่าจะมาทนูบำรุงให้มันสะดวกสบาย แ, แต่ว่ารักษาใช้ให้มันนานหน่อยในช่วงที่มีชีวิตอยู่รักษาซ้ายให้มันดีหน่อยอย่าให้มันผุพังไวให้มีสติปัญญามีระบบประสาทระบบหัวใจให้มันปกติดีมันก็จะได้ทํางานได้เยอะ นะดังนั้นญาโยามทั้งหลายเราทั้งหลายมาถึงตรงนี้แล้วก็ถือว่าโชคดีนะได้พบหลักคําสอนของผู้นิจเจ้าได้พบหลักการของโพุทียนได้พบครูบาอาจารย์แล้วก็ได้มาทําต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเดินจุกรมตอนเย็นตัดไปเลยนะทำกันถึงบ่ายโมงยันห้าโ ม, มงเย็นแหละนะถ้าหากว่าชุดไหนทําให้ถึงมาจะไปเป็นพี่เลี้ยงเองเพื่อเราจะได้ ให้กำลังใจแก่กันและกันได้นะก็พี่เลี้ยงนี่เหมือนกันนะพี่เลี้ยงนี่ไม่ได้ไม่ได้ให้ไปสอนนะพี่เลี้ยงให้ไปทําให้ดูหลักการหลวงพ่อเทียนคืออะไรบอกให้รู้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นทําให้เป็นเย็นให้สัมผัสนี่หน้าที่ของพี่เลี้ยงไปทําให้ดูไปอยู่ให้เห็นไปทําให้เป็นไม่เย็นให้สัมผัสไม่ใช่เป็นนั่งตั้งวงขูดกันทั้งวันไม่ใช่ไปเดินจงกรมให้ดูไปสร้างจังหวะให้ดูเท่านั้นเอง แต่คนไหนไม่ตั้งใจก็ไปสกษษิดดิ้นหน่อย night, เออตั้งใจหน่อยนะคนไหนง่วงก็ไปสกิดดิ้นหน่อยเอออย่าง่วงนะอ่าคนไหนคุยกันก็ไปบอกดิ้นหน่อยเอยอย่าคุยกันนะแค่นั้นไม่ต้องไปตั้งวงคุยกันไม่มันจะเสียเวลาเดินจูงกมสร้างจังหวให้ดูก็พอถ้าต่างคนต่างทำอยู่แล้วก็ปล่อยให้ทําไปตลอดอันนั้นคือหน้าที่ของพี่เลี้ยงนะดังนั้นเองก็เราก็คอยตะล่อมให้กําลังใจกันพี่เลี้ยงก็คอยสอดส่องดูแลก็ใครทําใครไม่ทําใครตั้งใจไม่ตั้งใจก็ จัดให้เป็นที่เป็นทางนะเราก็เราก็จะทําให้ญาติโยมมีกําลังใจไปเป็นเพื่อนให้กําลังใจเท่านั้นแหละไม่ใช่ไปนั่งสอนนั่งเทศอะไรให้เป็นเรื่องไปเล่าเพราะว่าเรื่องเทศเรื่องสอนนี่เอาเฉพาะช่ว ง, งเช้าช่วงเย็นก็พอแล้วเยอะแล้วนะกลางวันปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นเองในช่วงเย็นวันนี้เราได้ฟังหลวงพ่ออ่า กรมถามะัวะโรซึ่งเมื่อก่อนไปอยู่กัตมาพักหนึ่งที่ทำแสงเทียนขึ้นไปอยู่ที่แพร่แสงเทียนด้วยตอนหลังมามาไม่ค่อยได้อยู่ในเมืองไทยบ่อยนักก็เลยเออไปอยู่กับหลวงพ่อกรมนั่นก็ อ, อยู่ได้นะนนช่วงเย็นวันนี้เขอขออนมทนาสาธุ